ต้องเป็นผู้มีความสมรวมในอินทรีย์ทั้งหกคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการสมรวมในอินทรีย์เหล่านี้เรียกว่าโครจรที่ควรเข้าไปรักษาโครจรที่ควรรักษาก็คือว่าที่ที่เราไปเที่ยวเนื้อควรรักษาได้เช่นอย่างในทางวินัยนี่ท่านวางหลังปฏิบัติแไว้ทัระสงค์เนี่ยออกเดินไปตามคามามิคมเช่นในระแวกบ้าน จะต้องทอดสายตาลงชั่วแอดคำว่าชั่วแอดนี่ห่างจากกายเป็นสงสองอกเท่านั้นเองให้ทอดสายตาลงแค่เนี่ยสองซอกถ้าหากว่าเราไม่รู้จักใช้ว่าการทอดสายตาลงสองสอกเนี่ยควรใช้ในที่ไหนถ้าหากว่าใครไปใช้ทอดสายตาลงสองสอกแถวถนนเยาวาราชอาจะมารับรองว่าถูกรถชนตายหรือไม่ใช่ไ้นก็ต้องถูกคนชนตาย ทอดสายตาไม่ได้แม้แต่พระที่บินธบาดนะ่ะไม่ต้องถนนเยา ว, วราชนะเอาถนนหน้าชเนินนี่จะข้ามถนนจะต้องเหลียวตายแลกขวาดูหน้าดูหลังว่าที่ต้องเหลียวมาถึงข้างหลังอีกและจึงจะเดินข้ามไปถ้าหากว่าจะถือเอาโคจรที่ควรรักษาด้วยการทอดสายตาลงชั่วแ อ, องสองศอกรถจะวิ่งจะมาอะไรไม่รู้ผล ท, ท้ายรถชนตายโคจรที่ควรรักษานี่ก็คือในระหว่างที่เราปฏิบัติ เช่นอย่างท่านทั้งหลายอยู่บนถ้าตำหนักถ้าท่านปฏิบัติเนี่ยทอดสายตาลงได้ชั่วแอดไม่มีใครมาเดินชนท่านอะ่ะอยู่วันเนี้ยสมรวมสายตาไว้ชั่วระยะสมรวมหูสมรวมจมูกสมรวมลิ้นสมรวมกายเนี่ยทําได้แต่ออกไปถนนไม่ได้นะอาตมาเคยนั่งรถแท็กซี่พ อ, อวิ่งมาถึงตรงหน้าธรรมศาสตร์เนี่ยจะเดิน ม, มาเข้าทางขอพระสมุดโยมเดินออกจากประตูวัดพอดีใช่ ขี้อุงอะไร อ, อะไรลุงล้างสุงใส่จะเป็นวันพราวันนั้นมีกับข้าวอะไรเต็มไปหมดค่อยๆเดินค่อยๆเดินไ อ, อรถแท็กซี่มันจอดคอยมาําคานเต็มทีมันก็โผล่หน้าออกมาผมบอกว่าขวายย่างหนอสายย่างหนอพูดอย่างเงี้ยวสายย่างหนอสาย่างหนอเรานั่งในรถกันนึกขำก่อนเออดีไม่กันพอถึงวัดมหาธาตุก็รู้กันแล้วว่าขว า, า, ายย่างหนอสาย่างหนอคือมันพูดประชดในดความโมโหว่าเดินช้ามัวย่างเท้าอยู่นั่นแหละ ตัวกำหดอยู่นั่นอันเนี้ยเรื่องโครจรเนี่ยเราต้องรู้จักใช้เหมือนกันจะไปเดินสังรวมกลางถนนได้ที่ไหนรถติดกันตายเราก็ต้องถึงคราวเร็วต้องเร็วถึงคราวช้าต้องช้าการช้าน่ะคือให้ช้าในเรือนกรรมาฐานบางังให้ช้าในสถานที่ปฏิบัติบ้บางแต่ไ ป, ไปเดินกำหนดขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอกลางถนนเคยแย่ก็ฉะนั้นต้องรู้จักเหมือนกันว่าที่ไหนควรใช้ที่ไหนไม่ควรใช้ โคจรประเภทที่สามคือโคจรที่ควรผูกใจ <c oughs> โคจรที่ควรผูกใจนี่ท่านหมายถึงว่าที่ที่เราจะต้องเอามาผูกใจเราคือที่ที่เราจะเที่ยวไปเนี่ยเราควรมีอะไรเป็นเครื่องผูกใจไว้บ้าง <c oughs> สำหรับ <c oughs> เครื่องผูกใจนี้ในทางธรรมะเรานั้นเครื่องผูกใจนี้ก็มีอยู่สี่อย่างคือสติปัฏฐานสี่เป็นเครื่องผูกใจ ได้แก่กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นเครื่องผูกใจของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติเช่นอย่างเราเป็นผู้ประพืดปฏิบัติกรรมฐานว่าอะไรที่จะเป็นเครื่องผูกใจของเราได้ก็คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นี้เป็นเครื่องผูกใจของพุทธศาส น, น, า, า, นาสติปัฏฐานนั้น ก็คือตายเป็นเครื่องผูกใจปัญหาเช่นนี้เราเราต้องศึกษากันไว้ว่าอะไรที่จะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจไว้บ้างเป็นเครื่องผูกใจไว้ในทางธรรมะนี่เวลาพระท่านบวชใหม่ๆอุปชายยะท่านสอนท่านสอนให้เราพูดว่าเกษาโลมานะขาทันตาตากโจก็คือสอนให้บริกรรมว่าผมขนเล็บฟันหนัง เนี่ยหาอย่างเรียกว่าตัจจักันจักกรรมฐานท่านสอนให้เราบริกรรมเช่นนั้นทําไมท่านก็อธิบายบอกว่าเนี่ยเป็นอุบายอันหนึ่งที่จะผูกใจไว้แล้วโดยกปกติคุณบุตรที่บวชใหม่ๆนี่ระบวชในวัยเพราะเราอยู่ในวัยชะกันยังหนุ่มแน่นเต็มที่ใช่ท่านก็บอกว่าต้องมีเครื่องผูกใจไว้บางครั้งนี่จิตอาจจะคิดกระเดื่อเปิดเบิรนไป ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเหนี่ยวร่างจิตใจก็จะได้บริกรรมเกสาโลมาณขาธันตาตะโจก็เท่ากับว่าเอาผมเนี่ยเป็นเครื่องเหนี่ยวใจไว้เอาขนเป็นเครื่องเหนี่ยวใจไว้เอาเล็บเป็นเครื่องเหนี่ยวใจไว้เอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกิจใจท่านอธิบายว่าเวลาเราเกิดความรักขึ้นมาเกิดความกำนักยินดีขึ้น ก็ให้บริกรรมเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนแล้วก็จะได้บรรเทาบรรเทาจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยลงได้นี่เป็นเครื่องผูกใจสําหรับพระสงฆ์ที่ที่ข้า ม, มาบวชก็จะต้องใช้วิธีนี้อุปช่ายะท่านสอนเลยตั้งแต่วันแรก บ, บวชเสียว่าจะต้องมีเครื่องผูผกใจจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีเครื่องผูกใจแล้วเดี๋ยวก็จะสึกภายในเจ็ดวันสิบวัน ท่านก็บอกว่าต้องมีหลักปฏิบัติสำหรับเหนี่ยวร่างจิตใจไว้ทีนี้ค า, วาราวะล่ะคารวะจะเหนี่ยวร่างจิตใจยังไงบางทีวันนี้พรุ่งนี้จะหอบผ้าหอบพ่นไปกับใครสักคนหนึ่งจะผูกใจยังไงอยู่หรือบางทีวันนี้จะต้องไปหาแล้วเขานับเอาไว้ไม่ไปไม่ได้จิตใจกระวนกระวายเอาอะไรเป็นเครื่องผูกใจเอาไปล่ามโซ่ก็ล่ามไม่อยู่เอาไปขังตารางก็ไม่อยู่ ไม่มีทางที่จะบังคับใจคนได้เรื่องการบังคับใจนั้นท่านสอนว่าเราต้องมีวิธีปฏิบัติเนี่ก็คือจะเริ่มส 4, ติปันสีก็เป็นเครื่องเหนี่ยวร้างใจได้บางทีจิตนี้อาจจะคิดเรื่องราวต่างๆร้อยแปดันอย่างเราก็ต้องใช้สติปันเป็นเครื่องถูกใจ สติปัฏฐานเป็นเครื่องผูกใจก็คือจะต้องเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานอยู่เสมอจิตจึงจะสงบหรือไมิฉะนั้นก็ต้องเจริญเวทานานุปัสนาสติปัฏฐานเจริญจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานหรือทำม า, า, านุปัสนาสติปัฏฐานถ้ามีสติปัฏฐานสี่เป็นเครื่องเหนี่ยวจิตแล้วก็ไม่ไปจิตนี้ก็ไม่ตเตลิดคือไม่ไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเรามีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องกำหนดการผูกใจนั่นก็คือทําให้จิตนี่เป็นสมาธิ ทำให้จิตสงบลงที น, นี้จิตจะเป็นสมาธิได้จนะิตนั้นก็ต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องปฏิบัติแล้วก็เรื่องการฝึ ก, กจิตนี่เป็นเรื่องยากสำหรับท่านที่ไม่เคยฝึกแม้แต่เราฝึกแล้วถ้าเราห่างเกินก็ยากเราจะรู้ว่ายากก็เมื่อตอนที่เราปฏิบัติทำท่านหลายที่ที่จะรู้ว่าจิตเน่ยากหรือไม่ยากก็ขอให้ท่านไปนั่งหลับตาสักหนึ่งชั่วโมง ท่านก็นจะรู้ว่าโอ้เรื่องการบังคับจิตนี่มันยากจริงๆเราจะเอาจิตให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาเนี่ยบางทีหนึ่งชั่วโมงเอาไม่อยู่เพราะบริกรรมสัมมาอราหารังอ้าวออกไปไหนอีกแล้วก็ไม่รู้พอบริกรรมยุบหนอพองหนอให้อยู่กระท้องแทนที่จะอยู่กระท้องที่พองที่ยุบอ้าวไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้กตเ่เลอะติอีกแล้วเนี่ยเราจะต้องดึงไปดึงมาอยู่นี่อยู่บางทีชั่วโมงหนึ่งไม่ได้ผลอะไรยิ่งคนที่มีภาระธุระมากด้วยก็ยิ่งฟุ้งซ่านมาก นั่งแล้วก็ไม่สงบอย่างอาตมานี่นั่งชั่วโมงหนึ่งเวลานี้ไม่ได้เรื่องเลยพรนั่งทีไรก็วิทยาอะไรยังไม่เสร็จพรนั่งที่ไรก็ไอ้นู่นก็ยังไม่เสร็จไอ้นี่ก็ยังไม่เสร็จไม่รู้อะไรก็ไม่รู้มันยุ่งไปหมดเรื่องของคนอื่นเพราะทั้งนั้นเนะี่ยเวลานี้ชั่วโมงหนึ่งถ้าลองไปนั่งแล้วเสียเปล่าทดลองหลายครั้งแล้วไม่อยู่ต่อเมื่อไร งานเสร็จนะ่ะสงสัยว่าจะค่อยหยุดคุ้งต้านหน่อยตอนนี้เวลาจะนั่งทําจิตให้สงบไม่ค่อยสงบสมาธิตกไปฉะนั้นผู้ที่มีภาระธุระมากเนี่ยท่านจัดว่าเป็นผู้มีปริโภทศมากผู้ปฏิบัตินี่พรอพุทธองค์สั่งห้ามเลยว่าแม้แต่ก่อสร้างก็ห้ามรับมีมนตเทพก็ไม่ได้สวดมนต์ชั้นเพนไม่ได้ทั้งนั้นน่ะท่านห้ามหมดไม่ให้มีปริโภทศกังวลอะไรทั้งหมดแม่แต่อาหารบินทบาท ก็ไม่ให้เกิดปริพเท์สงวนแต่เวลาเนี่เรามีแต่เครื่องปริโพเท์สงวนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้จะฝึกอย่างไรจิตก็สงบได้ช้าต้องใช้เวลานานถ้าทนทั้งหลายเคยมีการงานอะไรรุงรังแล้วก็จะทดลองดูได้ว่าเวลาเรานั่งทำสมาธิเนี่ยจิตจะฟุ้งต้านแค่ไหนคือเวลาปกติอย่างนี้เราจะไม่รู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยฝึกยาก แต่พอนั่งหลักตาแล้วจึงจะรู้ว่าออกฝึกยากบังคับยากยิ่งนั่งเท่าไรก็ยิ่งบังคับไม่ค่อยจะอยู่เพราะว่าปริพโน์ข้างบนยังมีมากอยู่ต้องสั่งปาบปริพโทษข้างบนเนี่ยให้หมดไปนั่นแหละจึงจะสงบได้อันนี้เป็นเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะต้องผูกใจเรียกว่าโครจรที่ควรเข้าไปผูกใจโครจรที่ควรเข้าไปผูกใจก็คือสติปัฏฐานสี่ที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ อันนี้เป็นศีล ท, ที่ท่านแสดงเอาไว้ในคำพีพระวิสุทธิมารคนี้ซึ่งในวันนี้ก็เราจะพูดกันแต่เพียงแค่นี้ก่อนคือแค่โคจรอะโคจรความจริงเรื่องปาติโมกนี้ยังมีเรื่องพิสดารที่เราจะต้องศึกษากันต่อไปแต่ว่าวันนี้สมามาบรรยายช้าก็จะทำให้รายการอื่นเขาช้าไปด้วยก็จะขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงแค่นี้ วันอาทิตย์หน้าก็จะได้มาบรรยายต่อใหม่อาทิตย์ที่แล้วได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับศีลมีกี่ประเภทและได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปาฏิโมกของวรศีลให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไปแล้วตอนหนึ่งเกี่ยวกับศีลมีสี่ประเภทคือปาริสุขที่ศีลสี่ มันมีปาติโมกสังวรศินอินทรียสังวรศินอาชีวะปาลิสุขที่สินและปัจจั ส, สันติสิตะศีลรวมเป็นสี่ประเภทด้วยกันสำหรับในปาติโมกสังวรคือการสํารวมในพระปาติโมกนั้นได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไปแล้วว่าปาติโมกเนี่ยคืออะไร <c oughs> สำหรับอินทรียสังวร น, นี่ ดูเหมือนว่าเคยบรรยายมาครั้งหนึ่งอินทรีย์นี่คือธรรมชาติที่เป็นใหญ่สองวรในที่นี้ก็คือมีการสํารวมระวังธรรมชาติที่เป็นใหญ่ในที่ท่านหมายถึงอินทรีย์หกเช่นตาหูจมูกปีนกายใจเป็นต้นอันได้แก่จักรขุนรีโสตินรีคานอินทรียชิวหินรีกายินรีแล้วก็มะลินรี <c oughs> ใน อ, อนินทรีย์สวรศีนนี้การสํารวมอินทรีย์ก็จัดว่าเป็นศีลประการหนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะทําให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าเรื่องการสํารวมอินทรีย์น่าจะเป็นเรื่องของสมาธิหรือเรื่องของวิปัสสนามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของศีลแต่ในที่นี้ท่านจัดว่าเป็นศีลประเภทหนึ่งเรียกว่าอินทรียสังวรศีลที่จัดว่าเป็นศีล น, นั่นก็เพราะว่า ความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ <c oughs> เป็นการป้องกัน <c oughs> ป้องกันบาประธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตเช่นขณะที่ตาเราได้เห็นรูปหูของเราได้ยินเสียงต่างๆแล้วก็จมูกได้กลิ่นลิ้นได้ริมรสกายได้สัมผัสถูกต้องจิตได้นึกคิดธรรมารมต่างๆขณะที่เรารับรู้ ขณะทีเ่เรารับอารมณ์ต่างๆทั้งหประเภทนี้ต้องมีการคํารวมระวังที่การสุมรวมระวังอินทรีย์นี้ตามหลักปฏิบัตินั้นท่านสอนว่าไม่ว่าเราจะได้ยินได้เห็นได้ยินหรือได้กลิ่นได้ริมรสได้สัมผัสได้นึกคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็าตามจงอย่าได้ยึดมั่นในอนุและพยัญชนะต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น อรรมะอุคยัญชนะในที่นี้ก็คืออย่ายึดมั่นในในนิมิตเช่นอย่าไปวิพากวิจารณ์หรือพิจารณาถึงสิ่งที่เราเห็นเป็นสิ่งต่างๆมากเกินไปเช่นเป็นต้นว่าเราได้เห็นคนกัคนหนึ่งเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพิจารณาให้ิสดาีว่าคนคนนี้มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรซึ่งอาจจะผิดหลัก สำหรับในทางโลกทั่วไปก็ได้แต่ว่าในทางปฏิบัตินี่ท่านบอกว่าจะไปยึดถือนิมิตและลูกขยัญชนะนิมิตก็คือสันฐานทั่วรงวัตถันพวกนี้มีสว่วดงสันฐานอย่างไรสูงต่ำอ้วนผอมหรือรูปร่างส่วนสัตว์ส่วนนั้นเท่าไรส่วนนี้เท่าไรก็ไม่จําเป็นจะต้องไปไปยึดถือถึงนิมิตเหล่านั้นสําหรับลูกขยัญชนะนี้ก็คือส่วนปลีกย่อยเช่นเป็นต้นว่า คนคนนี้มีตาหวานไหมจมูกโด่งไหมปากสวยไหมฟันสวยไหมหรือว่าผมสวยหรือไม่หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายเนี่ยเอาอยาวะน้อยใหญ่ทั้งหลายส่วนใดสวยหรือไม่อันนี้เรียกว่าอนุพยัญชนะทั้งนี้เพราะว่าถ้าเราไปยึดมั่นในนิมิตและนุพยัญชนะแล้วย่อมเกิดความรักและความชังขึ้น ถ้าหากว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดีก็ทําให้เราเกิดความรักถ้าหากว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ดีไม่ถูกใจก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความชังไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความชังก็ถือว่าเป็นอคุณทั้งสองอย่างผู้ที่เจริญอินทรียสับวรศีเนี่ยจึงไม่ควรยึดถือทั้งความรักและความชังคือไม่ควรที่จะให้ความรักและความชังเนี่ยเกิดขึ้นภายในจิตของตนเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นและยิ่งถ้าหากว่า เราได้มีปัญญาพิจารณาถึงสิ่งที่เราเห็นด้วยก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งคือสิ่งต่างๆที่เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจุดสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะมองสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ในลักษณะไหนโยมบางคน <c oughs> อาจจะคิดว่ า, าการจำรวมอินทรีย์นั่นก็คือการที่เราต้องหลับตาปิดหูปิดจมูก หรือว่าปิดลิ้นอะไรทํานองนั้นแทบจะว่าไม่ต้องให้เห็นได้ฟังอะไรทั้งหมด mm hmm. ความจริงแล้วเรื่อง mm hmm. การรวมอ IN mm ินทรีย์นี้ทางหลักปฏิบัติท่านไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ให้ดูไม่ให้ฟังดูก็ได้ฟังก็ได้แต่ว่าเราจะดูและฟังในลักษณะไหนเท่านั้นเองเช่น mm hmm. อย่างเวลานี้ mm hmm. บางท่านมาถามพระธรรมาว่าพระได้ดูทีวีได้ไหม mm hmm. ฟังวิทยุได้ไหมตมาเคย <c oughs> ทูลอาเคยทูลถามสมเด็จปูว่วสเกตคือองค์สมเด็จสังฆราชวัสเกตสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องการดูทีวีเนี่ยท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ให้พระดูทีวีฟังวิทยุก็เหมือนกับปิดหูปิดตาพระหมด ตาเขงโง่ตายไม่รู้หรอกว่าโลกเนี่ยเขาจะเจริญไปแค่ไหนสมเดมทท่านดูดูแมกระทั่งมวยท่านบอกว่าถ้าหากวาไม่ให้ดูแล้วตาก็ไม่รู้ว่าโลกเนี่ยเขาจะเจริญไปแค่ไหนแต่ว่าเราสมเด็จท่านดูดูแมกระั่างมวยท่านบอกว่าถ้าหากวไม่ให้ดูแล้วตาก็ไม่รู้ว่า โลกเนี่ยเขาจเจริญไปแค่ไหนแต่ว่าเราจะต้องรู้จักดูไม่ใช่ดูด้วยโมหะหรือความรุ่มหลงแต่ว่าดูอย่างคนที่มีสติสัมปชัญญะแม้แต่การฟังวิทยุก็เหมือนกัน <c oughs> ปัญหาเหล่านี้บางท่านที่ไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่าเอพระเนี่ยไม่สมควรแต่ความจริงถ้าหากว่าเราจะดูกันด้วยความรุ่มหลงแล้วก็ไม่สมควรจริงๆเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็จะทําให้ สั้งสงทั้งหลายห่างเหนินจากธรรมวินัยและการกระตุ้นปฏิบัติก็จะย่อหย่อนลงแต่ถ้าหากว่าท่านดูอย่างคนที่มีสติปัญญาแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่เกิดโทษเกิดภัยอะไรดูแล้วก็เกิดสติปัญญาเหมือนกันเช่นในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างมีสามีภรรยาคู่หนึ่งแกลทะเลาะกันเมื่อเกิดทะเลาะกันขึ้น พัญยาก็เคืองสามีเตรียมห่อผ้าห่อผ่อนว่าฉันจะไม่อยู่ด้วยแล้วจะไปอยู่กับแม่ <c oughs> ก็เดินออกจากบ้านเช้าวันนั้นนะ่ะพระชื่อพระมหาดิษฐ์พระมหาดิษฐ์นี่ท่านออกบิณฑบาตตอนเชา้าก็จะต้องสวนทางกับหญิงสาวผู้นี้ฉะนั้นระหว่างที่เดินทางสวนกันหญิงสาวผู้นี้ก็นึกถึงเรื่องอะไรไม่ทราบเป็นเรื่องขำขำกา็หัวเราะขึ้นมาเฉยๆเพียงคนเดียวพระมหาดิษฐ์นี่ท่าน มีอินทรีสังวรโดยเฉพาะท่านเจริญอรสุภกรรมฐานอยู่พอาหญิงผู้นี้หัวเราะ อ, อ้าปากเห็นฟันแทนที่ท่านจะเห็นว่านั่นเป็นฟันของหญิงท่านก็เห็นเป็นร่างโครงกระดูกแล้วก็ระหว่างที่เห็นฟันของผู้หญิงที่หัวเราะเนี่ยท่านสาเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ขนาดที่ฟังผู้หญิงหัวเราะนี่พอสามี พอเดินไปอีกสักครู่หนึ่งสามีก็เดินตามหาภรนยาสวนทางรรากับพระมหาดิศก็ถามพระมหาดิศว่าพระคุณเจ้าเห็นสตรีเดินทางผ่านไปทางนี้หรือไม่ท่านมหาดิศท่านตอบว่าตมาไม่เห็นสตรีเดินทางผ่านไปเห็นแต่ว่ามีร่างโครงกระดูกร่างเดินผ่านไปในทางใหญ่เส้นนี้เมื่อสักครู่นี้เองแล้วบอกไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่โครงรางกระดูกเนี่ยเคลื่อนไหวไป ที่ท่านมหาบิศ ท, ท่านเห็นในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าท่านมองอย่างโคนเสนีอินรีสังวรแล้วก็สําเร็จเป็นพระอาหารหันในขณะที่เห็นควันของสตรีที่ยิ้มอยู่คือแทนที่จะมีความพอใจว่าเธอยิ้มสวยแต่ว่ากลับพิจารณาเป็นปัสุภกรรมฐานว่าร่างของเธอนี่ก็เป็นไปดกระดูกทั้งนั้นแล้วก็สติมรรคผลเรียกเพราะว่าท่านมีอินสีสังวรในขณะที่ดูรูป มีอีกรูปหนึ่งนั่นฟังเพลงบรรลุมรรคผลคือระหว่างที่ท่านบาเพ็ญทำอยู่ใกล้กับสระน้ำแห่งหนึ่งวันนั้นก็มีสตรีมาตักน้ำระหว่างตักน้ำอยู่ก็สัดผ้าเธอก็ร้องเพลงไปแต่ว่าเพลงที่เธอร้องเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องขึ้นเพื่อรำพันถึงชีวิตอันเป็นทุกข์ทรมานรำพันถึงสังขารต่างๆ ต, ต, ตามความเป็นจริง <c oughs> พิสูรรูปนี้ฟังสตมรีร้องเพลงบรรลุมัตถุนได้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าถ้าหากว่าท่านใช้มณฑสิการในการฟังก็เกิดผลเหมือนกันอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะดูเราจะฟังกันอย่างไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะปิดหูปิดตาพระสงค์ไม่ให้ไปดูอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันบางทีท่านก็ดูเพื่อศึกษาอย่างเวลาเนี่ยรูปโปสเตอร์ที่ปิดโฆษณานหนัง โฆษณาสินค้าสามข้างถนนส่วนมากก็เป็นรูปที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่ประชาชนก็นมั่งผ่านอาตมา ก, ก็ผ่านบ่อยๆและก็ดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเหมือนกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเราดูเป็นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคือดูอยังมีสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าหากว่าดูโดยขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็อาจจะเกิดกุศลได้ทั้งความรักและความชัง เนี่ยเป็นเรื่องของอินทรีสังวรที่ท่านจักว่าเป็นตัวซีฉะนั้นการสำรวมอินทรีนี่ก็คือการรู้จักระวังรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจมิให้ตกไปเป็นทาสของความรักและความชังในขณะที่เห็นสิ่งต่างๆหรือว่ารับรู้อารมณ์ต่างๆภายนอกที่มากระทบกับอายตนะภายในเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา ส ต, ติสมชัญญะเนี่ยเปรียบเหมือนกับทำนบที่เป็นเครื่องกั้นกระแสของความรักและความชังไม่ให้ไหลามาช่วมทับจิตใจได้ท่านอุปมาว่าเรือนที่เราอยู่อาศัยถ้าหากว่ามุงหลังคาไม่ดีเวลาฝนตกฝนก็ั่วรดเราซึ่งอาศัยอยู่ในเรือนข้อนี้ฉันใดจิตของมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่ได้ปิดอินทรีย์ทั้งหกนี้ด้วยดี ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็จะถูกอภิชาและโทมนัทเนี่ยท่วมทำกิจได้เพรดฉะนั้นการมีสติสัมปชัญญะนี้จึงเท่ากับเราได้ป้องกันไม่ให้อภิชากับโทมนัททั้งสองอย่างเนี่ยเข้ามาท่วมทำกิจซึ่งก็จะว่าเป็นอินทรีสังวรสิ่งทีนี้สังวรอธิสองคืออาชีวะปาริสุทธิสินคำว่าอาชีวะหรือคำว่าอาชี เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆ อ, อาชีวะเนี่ยคือสภาวะอันศักว์ทั้งหลายจะต้องอาศัยอยู่เรียกว่าอาชีวะคือความเป็นอยู่ของศักว์เนี่ยเป็นอยู่ด้วยธรรมชาติใดธรรมชาตินั้ น, เ, นเรียกว่าอาชีวะเหมือนอย่างที่เราประกอบอาชีพต่างๆก็เพื่อให้ชีวิตเนี่ยดำรงอยู่การประกอบอาชีพนี้ก็คืออาชีวะนั่นเอง ส่วนปาริสุพิเนี่ยแปลว่าความบริสุทธิ์ในศีลข้อนี้ก็คือท่านสอนให้เราเนี่ยเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์เรียกว่าอาชีวปาริสุ ธ, ธิศินการเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์นี้ก็จัดว่าเป็นศีลข้อหนึ่งเพราะว่าบุคคลที่เลี้ยงชีพโดยไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นและตนเองให้เดือดร้อนนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศีลทีนี้อาชีวปาริสุทพิศีล น, นี้ มีความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างไรคุณนี้เราจะสังเกตได้จากวินัยซึ่งเป็นพุทธบัญญัติตั้งแต่ปาราชิกสี่เป็นต้นไปท่านจะตรัสถึงเรื่องเกี่ยวกับอาชีวะนี่เป็นส่วนมากเช่นในปาราชิกสี่ข้อนั้นท่านห้ามพระสงฆ์อวดอุตริมนุษธรรมเพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตเช่นอย่างพระที่อวดอ้างคุณวิเศษอันไม่มีอยู่ในตน เอวา้า ว, าวามาเนี่ยได้ฌานปัญญาแล้วสามารถดูอะไรต่ออะไรเห็นและลึกชาติได้ทั้งในอดีตและอนาคตทั้ทงนี้ก็เพราะเหตุว่าการที่ประสงค์อวดอ้างคุณวิเศษเช่นนั้นเป็นการหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดประชาชนที่ไม่รู้เหตุก็พาไปเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็นำจตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยไปถวายท่านอย่างนี้เรียกว่าอาชีวะที่ไม่ถูกเป็นมิจฉาอาชีวะ หรือแม้แต่พระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อเลี้ยงชีพในด้านื่างๆเช่นตั้งตนเป็นหมอดูตั้งตนเป็นหมอดูคอยตรวจโชคชะตานั่งดูทางในรถน้ำมนต์แจกเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้เป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดารงอยู่ของพระสงฆ์เพราะว่าโดยสันสติแล้ว พระที่ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็เนื่องมาจากความแร้นแคนเป็นส่วนใหญ่ก็ทําให้พระสงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ขึ้นเพราะเราศึกษาดูตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วที่พระท่านอวดอุตริมนุษยธรรมนี้ก็เนื่องมาจากความอัตคัดขัดสงฆ์เช่นเวลาข้าวยากมาแพงประชาชนอดอยากพระท่านก็อดอยากและเมื่อพระอดอยากอย่างนี้พระท่านก็ต้องหาปัจจัยสี่ การหาปัจจัยสี่เพื่อที่จะให้ได้มานั้นก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับการอวดอ้างคุณวิเศษเช่นแสดงตนเป็นผู้วิเศษต่างๆเป็นผู้ขลังในทางนั้นทางนี้หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นด้านนี้ซึ่งเป็นในชาญและวิชาทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ได้ลากสกสาระเหล่านี้มาเป็นของตนฉะนั้นจึงมีพระวินัยบัญญัติขึ้นว่าถ้าพระสงค์รูปใดอวดบุตรีมนุสธรรมอันไม่มีในตนทิกษุรูปนั้นต้องเป็นอวัตปาราชิก ถือว่าขาดจากความเป็นพระภิกษุทันทีเป็นอสเตกิจฉาแก้ไขไม่ได้เ <c oughs> นี่ยในทางพระวินัยนั้นท่านหลวงโพธิ์นั่งถึงกับตัดขาดจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์จรรมวินัยในข้อสังฆทิเศแม้เราจะเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยการตั้งตนเป็นสื่อชัดให้ชายหญิงได้เป็นสามีพันยากันท่า <c> น <oughs> ก็บอกว่าไม่ถูกหรือแม้แต่เราจะใช้มิจฉาชีพในการบินทบาท เพื่อที่จะอาศัยอาหารบินทบาทเลี้ยงชีพก็เป็นอาบัติเราต้อองค์ข้องกันไว้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าวินัยข้อนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพระสงฆ์ท่านอดอยากยากแค้นการเป็นอยู่เนี่ยไม่สะดวกสบายก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้พระสงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นไปในปัจจุบันนี้ก็มีหลายท่านด้วยกันที่เป็นปัญญาชนมกักจะปรารบอยู่เสมอว่า จะทำอย่างไรหนอจึงจะให้พระเนี่ยเลิกละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวทีหนึ่งบางท่านก็บอกว่าบางทีก็น่าเกลียดถึงกับโฆษณาอวดอ้างคุณวิเศษต่างๆซึ่งเป็นการชักชวนให้ประชาชนเนี่ยลุ่มหลงอยู่ในโมหธรรมแทนที่จะร่ำสอนธรรมะให้เกิดสติปัญญาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันและจะนำนไปสู่ความทุกข์กลับชักชวนไปในทางที่ไม่ถูกอย่างนี้ เราจะแก้ไขอย่างไรปตมาได้เคยตอบว่าเรื่องอย่างนี้มันเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจถ้าเราจะแก้ไขปัญหาเช่นนี้ให้หมดไปต้องแก้ไขที่เศรษฐกิจเศรษฐกิจก็คือปัจจัยสี่อยากให้ประสงค์ทั้งต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสีอันเป็นเครื่องอาศัยเพราะถ้าหากว่าพระเนนเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่อย่างนี้แล้วที่จะห้ามให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เห็นท่าจะยาก เพราะเท่าที่เราได้ศึกษาหาเหตุผลมาเราก็พบว่าพระเหล่านี้ท่านอัตคัดขัดสนปัจจัยทั้งนั้นถ้าเกจําเป็นต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นต่อไปเพื่อให้ได้จะถูก ป, ปัจจัยมาแม้วัดต่งางๆจะบูรณะปฏิสังขรท้าวรวัตถุบางทีก็ยังจะต้องทําเป็นว่าได้พบกลุก่มกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งซึ่งบางทีต้องออกพระไปฝังแล้วก็ขุดกรุ่ขึ้นมาว่าเนี่ยได้พบพระเก่าๆมากมายผู้ใดจะเช่าเอาไปก็ได้เพื่อจะได้ อามาซาพระอุโบสถถือบุรณะสาเสนาสนะต่างๆเนี่ยต้องทำกระถึงขนาดนี้ซึ่งบางทีก็เป็นการหลอกลวงชาวโลกไปอันนี้ก็เพราะว่าไม่คํานึงถึงเรื่องของสิ่งเพราะฉะนั้นจึงประพฤติปฏิบัติในเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นตลอดจนสิ่งต่างๆที่เรากระทํากันซึ่งไม่มีจุดหมายอันถูกต้องอันนี้ก็เนื่องมาจากเพราะว่าความเป็นอยู่ของพระสงฆ์แรนแคนก็ต้องทําอย่างนี้ ถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะหาปัจจัยได้เพราะบางคนก็เรื่องใสในสิ่งทั้งหลายเหลา่านี้บางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบชอบพระที่ขลังทางน้ำมนต์ทางดูดวงเก่งพระนั่นก็ต้องศึกษาเป็นงูประปราก็ต้องตั้งตัวเป็นอาจารย์ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะได้หาปัจจัยสี่เป็นเครื่องเลี้ยงชีพต่อไปซึ่งอั น, นีี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจถ้าหากว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปแล้ว